วันนี้จะคุยเรื่องหลวงพ่อชื่นวัดมาบคาอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกวัดหรือว่าอารามเนี่ยเป็นที่อยู่จําพรรษาของพระพระก็ อ่าคัดเลือกพระที่อยู่ในวัดยกย่องฐานะให้ขึ้นเป็นหัวหน้าปกครองสงฆ์ในวัดที่เรียกกันว่าเจ้าอาวาสหรือว่าสมภารหลักเกณฑ์ที่จะยกกันขึ้น เจ้าบ้านหรือว่าทายกทายิกาเขาเห็น พระในวัดรูปอื่นจะมาเกี่ยงงอนกระด้าง สมภารเจ้าวัดเนี่ยนอกจากจะต้องปกครองสงฆ์ในวัดของตนให้อยู่ในระเบียบวินัยแล้วหน้าที่สําคัญต่อไปอย่างอื่นต้องคอยดูแล สมภารเจ้าอาวาสจะต้องคอยดูแลไอ้สิ่งปลักหักพังในวัด พุทธศักราช 2406 นายบานางแพนามสกุลบุษบาศรีชาวบ้านตำบลมาบคาอันเป็นผู้ริ 17 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวาก็ ัตถุสิ่งของโบราณที่ได้ก่อสร้างขึ้นไว้เดิมก็สันนิฐานว่าคงจะมีแต่เพียงกุติที่พักอาศัยของพระภิกุสามเนนที่ก่อสร้างหรือไม้เพราะว่าในสมัยนั้นท้องที่ของตําบวลนี้ยังเป็นป่าม้ใหญ่แล้วก็รกทึบอยู่มากทั้งยังชุกชุมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดการคมนาคมก็ยังไม่สะดวกไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เท่าอย่างดีก็ควนน่แนะะประชาชนที่อาศัยอยู่ในสินฐานญ่านนี้ก็ยังไม่มากมายเท่าไหร่นะต่อมาในสมัยของหลวงพ่ออยู่ เป็น 2440 หลวงพ่ออยู่ท่านก็ได้สร้างศาลาการปะเรียนขึ้นแต่ต่อมาก็พังหมดแล้วต่อมาหลวงพ่อชื่นก็ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าเช่นกุฏิสงฆ์ครัวโบสถ์หลังใหม่ สร้างหอประชุมของโรงเรียนก็ 2471 ถึง 2523 อ่า หรือพระอาจารย์ปรีชาก็ได้ดํารงตําแหน่งต่อมาจนถึง แต่ว่าได้ย้ายไปอยู่หนองผักหญามก็อยู่บริเวณ 4 ค่ํา 8 ปีปี 2436 นั่นปีเกิดหลวงพ่อ 7 คนหลวงพ่อก็เป็นคนโตพ่อแม่ก็มีอาชีพทําไร่ทํานาโดยเฉพาะการทําๆพอมันได้ หลวงป้าชื่นท่านได้ฝึกมาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยปรากฏว่าคนอ่าเป็น ไว้ใจได้เสมอล่ะก็ทําให้ทั้งพ่อทั้ง ถ้าจะทําได้ก็ต้องทําให้ดีด้วยอ่าทําให้ดีก็จะทําใหม่จนกว่าจะๆอยู่เสมอหลวงพ่อวัยเด็กนายชอบฟัง บางครั้งอยู่ไกลๆฟังไม่ถนัดถึงเรื่อยไปตลอดทางผ่านบ้าน คงจะเป็นเพราะว่ามีเชื้อ เป็นภาระช่วยดูแลอบรมสั่งสอนให้ด้วยจิตเมตตาไม่ได้หวัง แม้กระทั่งในเวลาที่เลิกเรียนแล้วเด็กอื่นๆทั้งเล็กๆใครจะไปไหนหลวงๆอ่า แม้แต่หลวงพ่อจาดๆที่มีอยู่ในขณะนั้นด้วยหลัง แต่เมื่อไปขออนุญาตจากโยมแม่ปรากฏว่าท่านไม่ยอมให้ไปแม้ว่าจะอ้อนวอนนานๆนานๆก็ไม่สําเร็จส่วน ก็จะบวชเป็นเนนเพราะต้องการจะหัดเป็นความหวังตั้งอ่าก็อืมหลวงพ่อขาวเป็น ก็ไม่ได้ไปบวชชลบุรีละอ่าสมบวชที่ระยองเนี่ยพอบวชแล้วก็จําพรรษาอยู่ 3 วันจากนั้นหลวงพ่อ จนถึงปี พ.ศ. 2500 ท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะตำบล เวทมนต์คาถาหลวงพ่อชื่นเป็นหมอต่อกระดูกยอดเยี่ยมๆถูกพูดผีสางเข้า ของบุคคลทั่วไปฌานหมากหลวงพ่อชื่นนี่ มากทีเดียวนะท่านมรณภาพแล้วพระอาจารย์ปรีชาหรือว่าพระครูพิพิตรวรคุณสมณศักดิ์ๆหลวงพ่อชื่นนะหลวงวรคุณก็ดํารง สร้างก็เสร็จเรียบร้อยหลายอย่างรวมทั้งโบสถ์ก็เสร็จ